เวทนาต่อโดยจิตตาอุปสรรคซึ่งในภาคปริยัติเนี่ยเราสวดกันโดยที่ไม่รู้ความหมายเพราะไม่ได้แปลทางฝ่ายเทระว่าหรืะมีอะไรหลายอย่างที่มันไม่เวิร์คคือสวดทั้งเยอะทั้งแยะแต่ว่าเอามาประยุกต์ใช้ไม่ได้จะเอามาอ้างอิงในเวลาบรรยายก็ไม่ได้เพราะไม่ได้แป ล, แลจำมาก็มามาตีความหมายไม่ถูก แต่พอมาใช้ส่วนมุนแปลเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราสามารถใช้ได้เป็นทั้งปริยัตและปฏิบัติไปในตัวแล้วาสามารถจับข้อความาต่างๆมาวิเคราะห์วิจัยต่อให้เกิดสอบคล้องการปฏิบัติได้นะอันนั้นช่วงเช้านี่เราสวดเรื่องเวทนาเวทนานี่มันมีสมพอมาแยกเป็นมีอามิตรไม่มีอามิตรเราเวทนาเฉยๆเนะี่ยส ก็สามสามเนะเป็น9รอบเป็นเวทนาทั้งเก้าเอามาให้นึกถึงว่ามานะทั้งเ้าเนี่ยมันมาจากเวทนาทั้ง9นี้เองนะมีความสบายมีความสบายที่มีอามิตรและความสบายที่ไม่มีอามิตรเนี่ยความไม่สบายความไม่สบายที่มีอามิตรและความไม่สบายที่ไม่มีอามิตร นะความเป็นกลางความเฉยเฉยหรือทอุกขกรรมสุเบนาทีา่มีอมิตรและไม่มีอมิตรเป็นเก้าอย่างอันนั้นเองมันก็เป็นเอามาให้ความสำคัญมากๆเรื่องของเวทนานี่เพราะอะไรเพราะพระารดบุตรเนี่ยบรรลุเป็นพระหันโดยที่ไม่ต้องเข้ากรรมฐานเนี่ยด้วยการฟังเรื่องเวทนาเรียกว่าเวท น, นาปริาหายสูตรนะ เราก็ไม่ได้ตั้งใจพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใจเทศให้ฟังโดยตรงนะงเพียงแต่ท่านไปถวายงานพัดอยู่ข้างหลังแต่ท่านเทศให้กับลุงลฤออาของพระสารีบุตรที่ว่าเป็นทีฆานักการคฤหิศนโคดเถียงกันเรื่องเวทนาแต่ว่าการซักไซ้การตรวจสอบการไต่ถามระวงังอธีฆานกะกับพุทธเจ้าเนี่ยพระสารีบุตรทึ่นั่งถวายงานพัดอยู่ข้างหลังนะตั้งใจฟังแล้วก็บรรุธรรมได้ขณะนั้น ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญตรงที่ว่าพระสาลิบุตรเลยกลายเป็นพระสาวกที่มีปัญญามากที่สุดบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถัดจากพระองค์แล้วเนี่ยคือพระสาริบุตรที่มีปัญญาเพราะใช้เวทนาเป็นนิมิตของกรมรมฐานนะทำไมาจึงเวทนาเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันเป็น <c oughs> เรียกว่าข้อต่อข้อกลางเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรูปกับนามเขาเรียกกันรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาตรวนั้นเน่ย <c oughs> เชื่อมรูปกับนามพวเดยกันนามคือสัญญาสังขารวิญญาณเพราะนั้นเวทนาจึงมีทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นรูปและส่วนที่เป็นนามเวทนาในส่วนที่เป็นรูปเราจะสัมผัสได้3ประการคืออะไรก็ตามมันมีอยู่แค่สามอย่างคือสบายไม่สบายแล้วก็เป็นกลาง ไอ้คําขาว่าทุกข์เามสุกเวทนาเนี่ยแปลยากแปลว่าเป็นกลางแปลว่าเฉยเฉยแปลว่าไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งซึ่งมันก็หาคำภาษาไทยได้ยากเหมือนกันคือสมมติว่าลองเรากำมือแน่นๆไม่สบายใช่ไหมถ้าเราปล่อยปือสบายช่วงระหว่างปล่อยออกจากกรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเตีย้ยกามือให้แน่น ไม่สบายใช่ไหมในช่วงที่ปล่อยเนี่ยขเขาเรียกอะไรคลายคืยังไม่คลายนะยังไม่แบนะยังไม่ทันแบบปีปล่อยแล้วก็แบใช่ไหมแบนี่คลายเต็มพีแล้วใช่ไหมแต่ในช่วงเชื่อมต่อระหว่างกรรมกับแบเนี่ขเขาเรียกอะไรตรงนั้นอะคือบัญญัติ ข, าาอาของมันท่านได้ใช้คำว่าอุทุคำมัสุใช่ไหมถ้าเราไปรู้ตามรู้ทันการที่กรรมที่มันไม่สบายเนี่ย เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งถ้าเราไปรู้ทันความรู้สึกสบายแล้วที่มันแบบเต็มที่เป็นความรู้สึกแต่ระหว่างกลางที่เชื่อมต่อ น, นั่นขเขาเรียกอะไรตรงนี้เรียกยากถ้าเราไปรู้ตามรู้ไอ้ตัวที่กรรม ห, หนักเนี่ยเป็นตัวปัญญาไอ้ตัวสมาธินะนะแล้วตัวที่ แบเนี่ยเขาเรียกตัวปกติแล้วเรียกว่าศีลศีลแบบว่าปกติแต่ช่วงเชื่อมต่อระหว่างกรรมกับแบรถ้าเราตามทันตรงนั้นเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสวิตติปัญญาเขามาจากเวทนาทั้งสานั่นเองตามทันไหมการเคลื่อนเนี่ยเป็นอันนี้จังถ้าเคลื่อนหนักเป็นทุกขังถ้าปล่อย ทุกขังหายไปเป็นอะไรเป็นอนัตตาแค่นี้อันนี้จำทุกขังอนัตตาอยู่แค่ที่ว่าที่ผมเขียนที่ชื่อว่าอึดใจเดียวหรือกํามือเดียวใบไม้กํามือเดียวคือตรงนี้เรียนรู้ง่า ย, ายๆธรรมะอย่าไปเรียนอะไรที่มันซับซ้อนอธิบายอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนทือพุทธิยถาท่งบอกว่าเปิดของที่ปิดงาของที่คว่ บอกทางแก่คนลุ่มทางชูแสงสว่างในที่พืชคืออย่างนี้ดังนั้นในการที่เวทนาเชื่อมต่อระหว่างกายกับใจรูป ก, กับนามเนี่ยเราต้องเข้าใจในรายละเอียดของมันเมื่อเราเห็นความสำคัญเข้าใจในรายละเอียดแล้วเนี่ยเราจะตั้งใจศึกษาเมืนโดยเฉพาะเพราะเวทนามันมีตลอดเวลาใช่ไหมเวลาทางกายก็มีตลอดเวลาเย็นร้อนน อ, อนแข็งแข็ ง, ขงตึงสบายไม่สบายมีอยู่ตลอดเวลา วเาวทนาทางจิตความรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบก็มีตามผลของเวทนาทางกายเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างๆที่ออกไปจากจิตจากใจเนี่ยมันแปลงไปจากเวทนาทางกายนั่นเองถ้าหากว่าเราจเจริญสติสมาธิปัญญาสามารถรู้เท่าทัน เส้นแบ่งระหว่างเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตตรงนั้นแหละตรงนั้นะ่ะมันจะกลายเป็นตัวตัดกันออกระหว่างความรู้สึกทางกายและทางจิตออกจากกันเรียกว่าแยกแยกความรู้สึกแยกรูปแยกนามคือตรงนั้นคือรู้เท่าทันเวทนาทางกายและทางจิตในช่วงที่มันจะเชื่อมต่อถึงกันแต่ถ้าหากว่าสติสมัชั ญ, ญาที่เราฝึกฝน ไม่ถูกต้องและไม่ดีพอไม่ไวพอมันจะไปทันตรงนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นเส้นแบ่ง บ, บ่อยบางยิ่งกว่าเส้นยาแดงอีกนะตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าใครฝึกสติสัมยะจนเป็นญาณปัญญาเข้าไปเห็นเส้นแบ่งตรงนี้ได้นั่นแหละที่ว่าเราถึงจะไปตัดแยกเวทนากายเวทนาจิตออกจากกันได้ว่ากายป่วย จิตไม่ป่วยกายเจ็บจิตไม่เจ็บกายร้อนจิตไม่ร้อนกายหนักจิตไม่หนักตรงนั้นทีนี้อาศัยเราทําบ่อยๆรู้บ่อยๆรู้ประจําำจนมันเกิดความชํานาญขึ้นมาเองไม่ใช่ทําไม่ได้ท่านบอกว่ามีดไม่คมก็ต้องรับบ่อยๆนะก็หมายถึงตัวนี้ว่าเมื่อสติปัญญามันยังไม่คมชัดก็ต้องรู้บ่อยๆพอรู้บ่อยๆเข้ามันเกิดมันเกิดเห็นขึ้นมาแวบใดแวบหนึ่งปั๊บเรียกว่าเห็นการเกิดดับ การเกิดของเวทนาและการดับของเวทนาจุดนั้นดังนั้นเองในจุดนี้ในแง่ของภาคปฏิบัติเราจึงดูตัวรู้สึกบอกว่าตัวรู้สึกตัวเนี่ยตัวรู้สึกเป็นอะไรตัวมีคําว่ารู้สึกไม่พอนะก็ยังมีคําว่าตัวด้วยรู้สึกตัวคําว่ารู้สึกเป็นรูปหรือเป็นนาง รู้สึกเป็นนามตัวนะเป็นรูปนะเพราะนั้นรู้รูปนามก็คือคำว่ารู้สึกตัวคือรู้รูปนามนั่นเองรู้สึกตัวนะเพราะนั้นบอกว่าคำว่ารู้รูปนามเป็นภาษาปริยาตเกินไปแต่เพราะว่ารู้สึกตัวเนี่ยทุกคนสัมผัสได้มันเป็นเป็นภาษาปฏิบัติแต่คำว่ารู้สึกนะั้นมันมีสองลักษณะหนึ่งรู้สึกที่เป็นเวทนาสองรู้สึกที่เป็นสติ คนทั่วไปรู้สึกตัวไหมรู้สึกดิร้อนทำไมไม่รู้สึกใช่ไหมเย็นทำไมรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกในระดับเวทนาอิ่มหิวสบายไม่สบายรู้สึกใช่ไหมแต่เป็นความรู้สึกในระดับเวทนาไม่ใช่แต่ที่เรามาฝึกเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกันแต่เป็นรูปซื่อสึกที่เห็นความรู้สึก ที่เป็นเวทนาอีกชั้นหนึ่งตัวที่เข้าไปเห็นความรู้สึกที่เป็นเวทนาตรงนี้เป็นตัวรู้สึกที่เป็นสตินั่นคําว่าตัวรู้สึกตัวจึงมีสองระดับหนึ่งตัวรู้สึกตัวที่เป็นสัญญาเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปที่ยังไม่ได้ฝึกหรือฝึกแล้วแต่ยังไม่ไม่ถูกต้องหรือเข้าใจไม่ถูกอเป็นความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณอยู่ความรู้สึกตัววันั้นเป็นสัจจญาณใครที่เกิดมาไม่รู้สึกตัวไม่มีไม่รู้สึกเขายังตกให้รู้สึกใช่มอืม คุณปิ๊งจําได้ไหมตอนเกิดมาใหม่ๆเขาจบ่ะถ้าเกิดมาไม่ร้องเขาจบใช่ไหมพอถ้าจบแล้วเธอร้องออกมาแยแคงเธอร้องว่าไงร้องว่าเอาแหววแวนั่นเองฉันรู้สึกแล้วฉันรู้สึกแล้วถ้าไม่รู้สึกตัวก็ตกบไม่รู้สึกเลยวันนั่นแหะทุกคนมันมีอยู่แล้วแต่เป็นความรู้สึกตัวแบบสันชัดยานรู้สึกร้อนรู้สึกหิวความรู้สึกสันชาตยานมันจะรู้สึกทะลุกันเลย กายเจ็บใจก็เจ็บกายร้อนใจก็ร้อนเป็นสัญชาตญาณมันจะรู้สึกทะลุถึงกันสองระดับแต่พระพุทธเจ้าท่านมาเห็นตรงนี้ปั๊บท่านก็เลยว่ามันมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่ไม่ต้องทะลุถึงสองชั้นรู้สึกแต่กายแต่ไม่ถึงใจความรู้สึกแบบนี้ต้องฝึกนั่นจึงมีการฝึกเรื่องสติปัะญานเกิดขึ้น เพื่อให้แปลงเวทนาตัวนั้นให้เป็นสตินะแต่ว่าต้องแปลงถึงสีระดับไม่ใช่ระดับเดียวความรู้สึกที่เป็นกายความรู้สึกที่เป็นเวทนาความรู้สึกที่เป็นจิตและความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ให้แปลงได้ถึงสีระดับถ้าแปลงไม่ครบสีระดับตัวสติตัวนั้นก็จะเป็นวิปาาัสนาญาณยังไม่ได้นะตัวสติที่รู้สึกในระดับกาย เรียกว่าสติที่เป็นสัญชตาตญาณตัวรู้สึกที่เป็นเวทนาทางกายก็ยังเป็นสัญชตาตญาณอยู่แต่เมื่อใดเข้าไปรู้สึกตัวเวทนาที่เป็นทางจิตที่เรารู้ว่าเป็นสติตรงนั้นเป็นสมมาสติแหละนะดูรู้สึกตัวในส่วนที่เป็นศีลเนี่ย เขคือรู้สึกที่มันปกติศีนถ้าในระดับปรามัดเรียกว่าปกติศีนในระดับสมมุติเรียกว่าข้อห้ามเรียกว่าิในเรียกว่าข้อบัญญัติแต่ศีนในระดับที่เป็นปรามัดเรียกว่าปกติอ่ะตรงนี้สําคัญในส่วนใหญ่เราไม่ได้แยกกันอยู่นั้นศีนไปว่าระเบียบไปว่าวิในไปว่าข้อห้ามไปว่ากฎหมายไปว่าอะไรต่างๆ เราขอยกเว้นข้อคนเว้นข้อคนดับแต่พอมาศีลในระดับปรมัาภะเรียกว่าปกติมือที่กำแน่นเนีน่ยไม่ปกติใช่ไหมแต่มือที่แบออกไปไงปกติความรู้สึกในตัวของเราจะมีสมระดับหนึ่งความรู้สึกสบายสองความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกสบายถือว่าปกติใช่ไหมความรู้สึกไม่สบายถือว่าผิดปกติ แต่ระหว่างกลางที่มาถามเมื่อกี้ที่เราจะตามรู้ตรงนั้นระหว่างที่มันต่อสบายไม่สบายตรงนั้นเรียกว่าอทุกขมสุเราจะเรียกว่าเฉยๆ เ, เรียกว่าซื่อๆเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แหละตรงนั้นท่านบอกถ้าไปเห็นตรงนั้นได้มันเป็นปัญญาเราตามรู้ถึงตัวมีไม่สบายเป็นสมาธิเราตามรู้ถึงความสบาย เป็นศีลตามรู้ระหว่างความสบายไม่สบายต่อเนื่องกันเป็นปัญญาเนี่ตรงนี้ที่ว่าเปลี่ยนจากในตัวเวทนาทั้งสามมาเป็นตัวศีลสมิปัญญาอีกทีหนึ่งเพราะนั้นเราจึงพูดถึงความเชื่อมต่อระหว่างเวทนากับจิคือเชื่อมต่อกันอย่างนี้ดังนั้นวันนี้เราจะไปศึกษาเรื่องนี้โดยละเอีดยดโดยแยกขาด แต่ให้ไปดูเท่าที่ดูได้นะไม่ใช่นั่งคิดนั่งปรุงแต่งขึ้นมานะถ้าไปนั่งคิดึแต่งนะปวดหัวเวียนหัวแล้วสับสนตรงนี้ต้องต้องดูให้ดีทีเดียวคือหมายความว่าเราจะรู้ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นให้รู้เท่านั้นถ้ายังไม่รู้ให้เกิดยังไม่ต้องไปนึกคิดล่วงหน้าสมมุติเราจะดูเรื่องหนักแล้วก็โดยเมื่อหนักมันเกิดเราจะดูเรื่องเบาเดียเมื่อเราทําให้เบความเบามีเกิดสองลักษณะหนึ่งพอเปลี่ยนมาเป็นเบา คนทั่วไปที่ไม่เคาปฏิบัติเขารู้สึกเบาได้ไหมได้แต่มันเป็นเวทนาในระดับสัญชตาตญาณแต่ผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาแล้วพอเปลี่ยนจากหนักมาเป็นเบาและรู้หนักต่อเบาได้ด้วยว่าเบาเพราะอะไรหนักเพราะอะไรลักษณะรู้หนักรู้เบาเป็นผู้รู้แยกตัวออกมาจากหนักจากเบาตรงนี้เรียกว่าเป็นปัญญาญาณ เข้าใจได้ไหมคุณปิงเข้าใจได้ไห ม, ไไหมยังงงงงอยู่อ่าเอาร่างกา จ, จริงก็ยังไม่มีชั่วโมงบินนะฟังไว้ก่อนก็เลย <c oughs> ฟังไว้ก่อน <c oughs> แต่ถ้าว่ามานั่งนานๆไปเงี้ยนั่งท่านี้นา น, านๆเปลี่ยนตัวแรกมันเบาใช่ไหมถ้านั่งท่านี้ไปนานๆไปไงเริ่มหนักขึ้นหนักเรากล่าวได้ไหมว่ามันเกิดความไม่สบายเนี่ยเกิดจากความสบายนั่นเองเมื่อกี้มันสบายใช่ไหม เปลี่ยนไปไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมสบายพอสักพักการที่ความสบายเปลี่ยนเป็นความไม่สบายขเขาเรียกอะไรยงเตีกฎของไตรอะไรไตรลักษณ์ขเขาเรียกว่าอานิจจ์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตัว น, น, น, นั้นนะตอนแรกมันเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาพอสักพักหนึ่ง จากเบากลาเป็นหนักอันอื่นก็เช่นกันถึงบอกว่าการเรียนรู้เรื่องของจิตเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องกายให้ชัดก่อนอันนี้กายยังไม่ได้เรื่องเลยแล้วไปรู้เรื่องจิตนยมันเลยเพราะนั้นลัทธิเฝ้าดูจิตมันมีปัญหาตรงนี้เองคุณปิงคือมันทําให้คนไปติดอยู่ในในเรื่องของความคิดและอารมณ์ได้ง่ายแล้วก็เข้าไปลึกแล้วมันพัน มันพันกันเพราะจิตนี่มันออกมายุะแยะเลยใช่ไหมมันเหมือนกับกงจักรใหญ่ๆอ่ะแล้วเข้าไปใกล้ไม่ได้มันดูดเลยเหมือนเราเว้นรถใหญ่ๆแล้วไม่กล้าเว้นไกลใช่ไหมเหมือนเหมือนมันจะดูดแล้วเข้าไปในรถเนี่ยนะมันจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นมันทํางานที่หนักเราทางานที่แรงถ้าเราไปเฝ้าดูมันกลืนแล้วเข้าไปเลยเราเข้าไปในความคิดโดยไม่รู้ตัวเพราะเราเข้าไปดูความคิดมันจะไหลเข้าไปอยู่ในความคิดโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอยห่างออกมาถอยห่างมาอยู่ที่ไหน อยู่รูปกับนามอยู่ที่กายความรู้สึกทางกายเป็นหลักระหว่างความรู้สึกทางกายกับความรู้สึกทางจิตเนี่ยอันไหนเกิดเป็นบางครั้งบางคราวอันไหนเกิดตลอดเวลาอ่ะพิ่เจตน า, นาชัดคำถามไหมว่าระหว่างความรู้สึกทางกายและความรู้สึกทางจิตส่วนไหนที่เกิดตลอดเวลาและส่วนไหนที่เกิด เ, เ, เป็นบางครั้งบางคราว ไม่ใช่ปัญหายากเลยนะยากไหมอ่ะทไมไม่ฟันธงลงไปเลยทำไมลังเลอยู่ล่ะ <c oughs> <c oughs> ให้ตอบลงไปเลยพุ่วเลยว่าได้เลยอย่างว่า <c oughs> ความรู้สึกอันไหนที่รู้สึกได้ตลอดเวลา <c oughs> ทางกายใช่ไหมใจเป็นบางครั้งเท่านั้นเองใจคิดเป็นบางครั้งความรู้สึกสบายไม่สบายปรากฏตลอดเวลาแต่จิตเนี่ยมันปรากฏบางครั้ง บางครั้งมันคิดบางครั้งไม่คิดใช่ไหมบางครั้งมันก็ชอบบางครั้งไม่ชอบแต่ความร่างกายของเราเนี่ยมันไม่มีคําว่าชอบมันทํางานเพรมันตลอดเวลาด้วยกฎของอะไรด้วยกฎของใจรักกฎใจรักทํางานตลอดเวลามีรูปที่ไหนใจรักทํางานที่นั่นไม่ว่ารูปที่เป็นรูปนามไม่วเป็นนามรูปไม่ว่ารูปหยาบรูปกลางรูปละเอียดรูปประนิดรูปเทวดารูปอินรูปพรมรูปสัตว์นรกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านมาเห็นการเกิดดับของระหว่างเวทนากับจิตตรงนี้ปั๊บเนี่ยท่านจับจุดได้เลยเที่ว่าจุตูประปัญญาที่ท่านเห็นแต่เมื่อคืนที่ยมเล็กพูดมาถึงว่าไปเห็นอดีตเนี่ยอันี้ความจริงมันคือญาณชนิดหนึ่งแล้วปุเพนินวาสานุสติญาณเพราะนั้นปุเพนิวาสานุสติญาณในตำนานและในประวัติศาสตร์และในตำรา น, นั้นเขาเป็นอดีตชาติก่อนเกิดหลังตาย อันนั้นเป็นตําราว่าไว้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยโยมลงนึกว่าตั้งแต่โยมจําความได้จนถึงบัดนี้โยมคิดกี่เรื่อ ง, องไม่ต้องว่าหลายเรื่อง่ขันใช้คําว่าอนเนกอนันตระชาติการเกิดทุกข่าวเป็นความคิดมันเกิดกี่ครั้งจําได้ไหมแค่นี้เราก็จําไม่ได้ละอย่าว่าแต่ตั้งแต่เกิดแหละแค่ปีหนึ่งย้อนไปดูวันหนึ่งเราคิดกี่ครั้งเมื่อวานแค่เมื่อวานเรคิด นี่ไม่ได้ท่านหมายถึงเกิดตรงนี้เป็นอเนกอนันตตระชาติตรงนี้ใครระลึกได้เยอะคนนั้นญาณปัญญาแหลมคมหมายเขาว่ากาเกิดวันไหนปีไหนเดือนไหนแต่ละวันฉันทําอะไรแต่ละปีฉันทําอะไรแต่ละเดือนฉันทําจําได้หมดนั่นเขาเลยว่าถึงไม่ได้หมดไดสัก 80% ดสนญาณปัญญาก็มาหาศาลแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนั้นคือของจริงแต่เราก็ต้องเชื่อตําราเอาไว้ไม่ลูกคนลูกดูตาราเดี๋ยวเขาจะว่าหากล่าวดูพระพุทธเจ้า ความจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาปัจจุบันใช่ไหมอดีตอย่าเพิ่งเอามาอนาคตอย่าเพิ่งเอามาถ้าสมมุติว่าเราไปเชื่อว่าก่อนที่มาเกิดเนี่ยไปเกิดเป็นลิงเท่านั้นชาติเปเป็นช้างเท่านี้หนเกิดเป็นเต่าเป็นปลาเท่านี้ครั้งเราก็ไปสนุนสนับเชื่อถามว่ามีไหมมีไม่มีเพราะว่าไม่จําเป็นแต่จําเป็นว่าเราลึกได้ไหมปัจจุบันนี่คือป็นส่วนที่จําเป็น อนาคตตายไปแล้วจะเป็นอะไรไม่เป็นไรเราเราไม่ต้องรู้แต่รู้ว่าอะไรจะเกิดข้างหน้าเราเนี่ยวินาทีข้างหน้าเรารู้ไหมว่าอะไรจะเกิดชั่วโมงข้างหน้าวันข้างหน้าเดือนข้างหน้าปีข้างหน้าเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องชาติหน้าเพราะฉะนั้นชาติหน้าคือสิ่งที่มันจะเกิดหลวงพ่อเจะคุณประยุทธ์บอกว่าอดีตคือวินาทีที่เพิ่งผ่านไปและอนาคตก็คือวินาทีที่กําลังจะมาถึงให้เอกแค่นี้ รวมแล้วทั้งอดีตในอดตปัจจุบันเป็นไงอันเดียวกันไหมอันเดียวกันนั่นเองแต่คืออันหนึ่งมาผ่านไปอันหนึ่งมึงล่มไหลเข้ามาแต่ตัวที่กาลังเป็นปัจจุบันเนี่ยตัวปัจจุบันน ะ, นนะดังนั้นพอเราสาวลึกไปถึงเวทนาเนี่ยมันจะทะลุเรื่องนี้หมดเลยแต่ขอให้ดูเพราะฉะนั้นเราไม่แปลกใจว่าทําไมสมัยพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมทาไมคนถึงบรรลุธรรมได้เยอะเห็นธรรมได้เร็วเพราะคนมีศรัทธาที่จะฟัง แต่คนปัจจุบันเนี่ยไม่มีศรัทธาขนาดนั้นนบางทีเราฟังเราไปประเทศฟังเราไปค้านไปในใจศรัทธามไม่มีมันจะไปบรรลุเราจะไปเห็นได้ยังไงแต่ในสมัยนั้นศรัทธาและทุ่มเทเต็มที่แล้วเนี่ยใส่ใจที่จะฟังเต็มที่พอฟังเข้าใจเลยอย่างน้อยระดับพระโสดาบันคือเข้าใจครับพระโสดาบันคือเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรไม่สงสัยคือความเชื่อมระหว่างเหตุและผลต่างๆมันลงตัวมันไม่สงสัยเนี่ย ดังนั้นเองเมื่อเรามาดูว่ากายกับใจกายถ้าไม่มีเวทามีความหมายไหมไม่มีความหมายใจถ้าไม่มีเวทนาใจมีได้ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นตัวเวทนาจึงเป็นตัวสำคัญโดยสาคัญเพรา ะ, ะนั้นถ้าคนไหนตามดูได้ละเอียดมากๆนั่นปัญญาเกิดมหาศาลในแต่ละวัน นะ พ, รพระสารีบุตรจึงเป็นธรรมเสนาบดีเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาเพราะท่านตามดูเรื่องนี้อย่างจริงจังนะเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่ท่านไม่ได้รับแขกเพรว่าพระมาอยู่มาท่านให้พระสารีบุตรทำงานแทนท่านได้เลยนะพระเชื่อมั่นว่าพระสารีบุตรเป็นผู้เข้าถึงสภาวะธรรด้วยอาศัยเวทนาและเวทนาปริหาสูตรนะ ดังนั้นให้ไปศึกษาในทุกมิติคําว่าศึกษาในพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงความจําแต่มันหมายถึงความจริงที่ปรากฏคำว่าคำว่าศึกษามาจากคําว่าสกิงอิคติติสิขาวิเคราะห์เขานะคำว่าสกิงวิสกังสกะดตรงนั้นแปลว่าตัวเองใช่ไหมสกะมาบวกคําว่าอีกขะ อิขะเปราะ ว, ว่าเห็นน่ะเป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นศิกขาศึกษาแต่พอเขียนเป็นภาษาบ ร, ริว่าสิกขามาจากคําว่าสกะบวกอิกขะเป็นผู้ใดเห็นตนเองผู้นั้นชื่อว่ามีการศึกษาในระดับนี้ระดับดร็อกเตอร์มีการศึกษาไหมแบบนี้ถ้าไม่ปฏิบัติพิพิจารณาดร็อกเตอร์ถึงจุกดร็อกเตอร์แต่ยังไม่มีการศึกษาในแง่พุทธศาสนาใช่ไหม นั้นในแง่ของผู้ศึกษาแม้แต่ตาสีตาสาโปรสีถ้าเขาเห็นตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นจัดตัวเองถูกชื่อว่าแม้แต่จะมีความรู้โปรดรกเตอร์อีกเพราะเขาเห็นตัวเองนี่ในมิติทางพุทธศาสนาหมายถึงคนที่รู้จักตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองหลงพ่เทียนเลยพูดคำเป็นคำสะ้นว่าดูตัวเองดูตัวเองบอกดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกสามารถปลูกฝัง สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเองได้นี่คือคาจำความจากัดความของาศึกษาของพ่เทียนดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองสูงสามารถปลูกฝังสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองได้น่ะนั้นเรื่องของเวทนาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะถามว่าเวทนาทําให้เกิดจิตได้อย่างไร ก็คือความเชื่อมต่อระหว่างรูปกับนามก็อาศัยตัวเวทนาเวทนาสามารถที่เป็นกายก็ได้เป็นใจก็ได้เป็นรูปก็ได้เป็นนามก็ได้นเั่นนั้นเรื่องที่พระสารีบุตรท่านเรื่องนี้มาเล่าหลายครั้งว่าท่านสแสวงหาบุคคลที่รู้ธรรมใช่ไหมกับเพื่อนของท่านสมัยเป็นกุนละหัชื่ออะไรจําได้ไหมโยมเตียพระสารีบุตรเดิมชื่ออุปติษฐ์ใช่ไหม มีเพื่อนที่คนหนึ่งชื่อโกริตะหรือในเวลาต่อมาว่าโมกขลานะสองสหายเนี่ยหลังจากได้ศึกษาเรื่องโลกเรื่องอะไรมาด้วยกันแล้วไปสนทนาธรรมกับเจ้าระที่ต่างๆก็ขอให้เกิดแต่ความสงสัยมีแต่ข้อสงสัยว่าอะไรในที่สุดเมื่อไปดูละครวันหนึ่งไปดูละครหลงร้องไห้หลงหงร้อไปกับเขาลแล้วก็เกิด สังเวชขึ้นมาเอ๊ะนั่เป็นเรื่องแสดงเรามานั่งร้องไห้โมล้อกับเขาไปทำไมใช่ไหมพวกเราก็เป็นเวลาดูหนังบุลุครใช่ไหมเออแล้วเล่นเล่นไปเล่นกับเขาด้วยเพาะงั้นนะไม่ได้เป็นผู้ดูนั้นน่ะไม่ได้เป็นผู้ดูในชีวิตจริงเราเข้าไปเล่นกับเขาด้วยแต่ทีนี้ท่านท่านเกิดสติอุปติสสะเกิดสติเอ๊ะเรามานั่งร้องไห้โมล้อกับเขาทำไมเนี่ยเกิดสังเวชสดุดใจในที่สุดจําเป็นจะต้องไปหาผู้รู้ที่สามารถตอบคาถามนี้ได้ ที่แล้วมาที่ภาษาริบุลในสมัยเป็นเครือหัดยเป็นหนุ่มท่านเป็นคนสแสวงหาธรรมะชอบไปสุนทนาสักถามาเจ้าสำนักเจ้าอาวาสวัดนั้นวัดนี้ประจําเมืแต่ไม่สามารถจะให้คำตอบในข้อสงสัยได้ชัดเจนในที่สุดท่านก็เลยออกสแสวงหาคนที่จะให้คำตอบนี้ได้นะถ้าจะไปกับเพื่อนก็รู้เอ่าอเดี๋ยวมันจะไม่เจอก็แยกกันไปก็แล้วกันว่าใครใครเจออนมาบอกกันก็แล้วกัน ในที่สุดในช่วงนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์แล้วก็ปัญจวัคคีย์ในเวลาต่อมาได้บรรลุธรรมก็ท่านก็ประกาศศาสนาไงบอกว่าพวกเรามันมีน้อยไปคนละทางกันแล้วกันนะอย่าไปทางสองคนไปคนละทางพระอาจารย์ชีก็ไปบ้านเนี่ยบ้านชื่อบ้านนารทคามบ้านนารทขามไปบิณฑบาทก็พาบฏว่าสมัยนั้นก็มีนักบวชเหมือนเหมือนสมัยนี้แหละ น, si นักบวชลัทธินั่นลัทธิเถแล้วว่าลัทธิธรรมกายลัทธิสวนโมกลัทธินั่นลัทธินี้บินทบาตรกันขกไฝนี่แหละก็เออนุปฏิสัตไปเห็นนักบวชทั่วไปเขไม่แปลกใจก็ไปสวายหาบินทะบาทและเกละกาไปตามตลับกาตรีแต่มีนักบวชคนหนึ่งเดินนิ่มๆนุ่มๆไปตามทางสบายสบายดูละสบายตาไม่ได้วอกแวกว่าใครจะใส่หรือไม่ใส่เดินไปตามหน้าที่ ท่านดูแล้วสบายตานี๊แปลกพระองค์นี้มามาวัมาจากวัดไห น, นาใครเป็นอาจารย์ของท่านอยากไปถามนะแต่พอตอนนี้ไม่ใช่เวลาเพราะท่านกำลังบินทบาทงั้นเราตามไปหาห่างก็แล้วกันก็ตามไปาอาหารกล่าวว่าถ้าหากว่าท่านหยุดฉันที่ไหนก็จะเข้าไปคุยที่นั่นแหละหลังจากบินทบาทได้พอสมควรแล้วก็จะมีโยมเสบตรเหมือนทุกวันนี้แหละปนะเทศไทยเมืองลาลวเราก็หลังจากหยุดชั้น เสร็จแล้วท่านก็เข้าไปถามว่าท่านพระคุณเจ้ามาจากวัดไหนใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์ของท่านสอนทำอะไรท่านก็ออกตัวว่าเอออุูบ า, าศุ์ฉันนี่เพิ่งเป็นพบบระบทใหม่คงจะไปตอบปัญหาอะไรท่านดึกซึ้งมากมายงั้นไม่ได้หรอกแต่ฉันจะบอกว่าคือตัดกล่าวคำนี้ออกมา เยธรรมาเหตุปปปวะเตสั่งเหตุดุงดธาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเฮวังวาทีมหสัมโนบอกอาจารย์ฉันว่าอย่างเงี้ยก็ไงเยธรรมาสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุมีต้นมีที่ไปที่มาสิ่งทั้งหลายมันไม่เกินอุบัติขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีที่ไปมันมีที่ไปที่มามีเหตุเตสั่งเหตุดุงดธาคโตว่าพระ อาจารย์ของฉันเนี่ยพูดในเรื่งองเหตุของสิ่งนั้นเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวัติ ม, สมัสเมอว่าสิ่งใดที่เราจะเมื่อมีเหตุเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องดับก็จะไปดับที่เหตุแต่เหตุเมื่อดับสองประการหนึ่งดับโดยตัวของมันเองสองเราทําให้ดับเนี่ยบทนี้อาจารย์ของฉันอสอนแค่นี้แหละสอนอย่างที่ฉันจําได้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุ มันมีเหตุที่ไปที่มาสิ่งนั้นก็ดับเพราะเหตุเหมือนกันก็ปรากฏว่าบอกแค่นี้อุปติสะได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าใจนัเนเน่ยอ๋อเข้าใจใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เขาสอนบอกว่ามีพระเจ้าบรรดานมาีพระเจ้าสร้างว่านี้มันมันคงเป็นไป ไ, ได้มันไม่มีเหตุแต่อันนี้สอนมีต้องมีที่ไปที่มาแต่เราไม่รู้ก็เลยบอพระเจ้าสร้างแต่เราตามรู้ไม่ได้ยกให้พระเจ้าสร้าง ไอ้ตัวพระเจ้านะั่นคือตัวธรรมชาตินั่นหนึ่งธรรมชาติสร้างมาบ้านเรานะแต่ของเขาไปสมมตุติว่าพระเจ้าสร้างมาก็คือธรรมชาติธรรมชาตินั้นคืออะไรทํำไปว่าอะไรทําแปลว่าเหตุทำมันยุตตาอัฐัญยุตตาอ่ารู้จักเหตุรู้จักประมาณรู้จักการใช่ไหมรู้จักเหตุคือทำมันยุตตารู้จักผลอถันยุตตาเพราะนั้นทำจึงแปลว่าเหตุ เราไปเข้าใจตรงที่ว่าในสัพนิธธรรมเเท่านี้ธรำมันยุติารู้จักเหตุอัฐัญยุติารู้จักผลใช่ไหมคุณนสมบัติลักษณะคุณลักษณะของพระสุรบัญเจประการเนี่ยทำมันยุติารัฐัญยุติการอนุยุติาริสัญญุติอาจัญยุติธรรมานายุติารว่ารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักคนรู้จักคนรู้จักการรู้จักประมาณรู้จักบุคคลอะไรเนี่ยทาง7ประการเพราะฉะนั้นทำตรงนั้นแปลว่าเหตุ เหมือนกันผู้ที่าตรัสในสิ่งที่เป็นธรรมคือตัดที่เป็นเหตุและเป็นผลสิ่งใดที่เป็นเหตุเป็นผลสิ่งนั้นเป็นธรรมสิ่งไหนไม่มีเหตุไม่ผลสิ่งนั้นไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นในลทัทธิาศาสนาที่ว่าพระเจ้าสร้างมาเนี่ยถ้าพระเจ้าเข้าหมายถึงตัวบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่แต่พระเจ้าเข้าหมายถึงตัวสภาวะที่เป็นเหตุเป็นผลโอเคนั้นคือพระเจ้า <c oughs> ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาด้วยนะ เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยนึกถึงเพื่อนโอ้เข้าใจพระองค์นี้พูดเข้าใจฮะคงจริงคุยกันไม่ใช่คุยแค่นั้นนะคงจะมียาวกว่านั้นนะแต่นี้ท่านดัดเป็นคาถาเยโยๆอย่างนี้ก็เลยนึกถึงเพื่อนว่าครูนิตะเพื่อนพวกเราก็สวยงามกำลังสวยหาท่านผู้รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปบอกให้เพื่อนก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปหาคุณทิชาเลยถามก่อนที่จะจากไปว่าตอนนี้อาจารย์ของท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่อนุ ป, ปยอรมพวั น, นงั้นก็ไปเดี๋ยว ผมย sh sh e like ังไม่ไปผมจะไปตามหาเพื่อนกันไปตามหาเพื่อนยืนเจอโกนิตะบอกว่าฉันเจอแล้วนะฉันเจอพระทุกหนโอ้พูดน่าฟังมากเลยเดี๋ยวไปไปพบอาจารย์ของท่านด้วยกันอ๋อเขาสอนว่าไงที่ว่าน่าสนใจก็เอาเรื่องนี้อธิบายให้เพื่อนฟังโกนิตะก็ได้ดวงตาอัามอีกอันนี้ยังไม่ทันจะฟังจากอาจารย์นะฟังจากเพื่อนเฉยๆนะได้ดวงตาอัาเป็นพระโสดาบันอีกคนนึ่งแล้วก็พากันไปที่อนุปิยธรรมวันไขอบวชขอบวช ทีนี้พระสาริบุตรเนี่ยเป็นคนมีปัญญาขี้สงสัยแล้วขอฟังไปก่อนบวแล้วนนไปสุนทนาธรรมไปแต่ละวันแต่พระโมคคลานะได้ก็ได้ชื่อใหม่นะชื่อกุลิตะพอบวชแล้วเอาเอานามสกุลของแม่นามสกุลของของตะกูลว่าโมคคลาก็เป็นโมคคลานะโมคคลานะบอกว่าเออผมเข้าใจแล้วแต่ผมยังไปทำอยู่สักเจ็วันว่างั้นว่ามันเป็นเหตุเป็นผลอย่างไร พระพุทธเจ้าก็บอกรายละเอียดหมดท่านก็ไปนั่งทำพอไปนั่งทำแต่ละวันแต่ละวันก็โอ้โหง่วงนะนั่งก็ง่วงยืนก็ง่วงนอนก็ง่วงหนักทีนี้พระพุทธเจ้าดูถึงวันที่เจ็ดโอ้องนี้ไม่ไหวแล้วนั่งง่วงมาหกเจ็ดวันไม่ได้เรื่องอะไรเลยท่านก็เลยแอบไปดูแอบไปดูก็ไปแจเออะไรนั่นนะอา้าวง่วงอา้าวแล้วมานั่งง่วงอยู่ทำไมไอ่ะเนาะอ่า ไปต้องไปเด็ดหญ้าเด็ดไม้มาแย่หูเล่นดูซิว่างัโมไปเด็ดตอหญ้าไปฝั่นหูเล่นอาันก็ไปทำปันหูเล่นปลุกประสาทเออตื่นได้สักพักหนึงในช่วงที่ท่านตื่นมาทําความเพียปรปั๊บคงจะนั่งหลับตาพิงต้นไม้ก็ไม่รู้นะตามภาพะนะแล้วพระเจ้าก็าแอบไปเดินจุกมอยู่ข้างหลังมันคงเป็นป่าละเดินจุกมไปสักพักอ้าวแอบขึ้นแต่ก็นึกว่าพระเจ้าไปแล้วจะไม่รู้แอบขึ้นนั่งที่นั่ง โกนครอกอีกอ้าวผู้รเจ้าเอาทำอีกแล้วโอ้เงินื่นตื่นตืนี่อ้าไปไปล้างหน้าโอ้เงินนะมันแย่หูมันไม่ถึงก็ไปล้างหน้าอ้าลุกไปล้างหน้าช่วงลุกไปล้างหน้าก็มานั่งสักพักพู้ริเจ้าก็แอบหลบไปอีกอ้าสักพักหนึ่งเอาอีกแล้วง่วงอีกแล้วอ้าวมาปลุกเอาตื่นตื่นตื่นอ้าวไปทำอะไรลุกขึ้นเดินดูสิเดินจงกรมโอาเงินเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาสักพักผู้รเจ้าก็แอบดูเงิน U, เดินชูสัตสูเสอแอบไปนั่งจ่อยแล้วอ้าวตายแล้วที่ทําไยเอาอย่างงี้มึงดูดูไไกลๆนู้นดูยอดไม้ใบยะอยู่แสงตะวันดูฟ้าดูไฟนู้นอย่าไปดูใกล้ๆนี้มองไปไกลๆให้ตามันตื่นว่างั้นท่านก็มองไปบองบาสักพักนึงอ้าวง่วงอีกแล้วแก้ด้วยหลายอุบายบอกให้ท่องนั้นท่องเอาเต็ม จนกระทั่งสิบอย่างอันที่สิบผู้ที่เจ้าโอไม่ไหวองค์นี้มีวิบากกรรมหนักเรือง่วงก็เลยบอกอไปนอนก็แล้วกันไปนอนเลยแต่ไม่ใช่นอนอย่างยายเมื่อวานนะแต่มีข้อแม้ข้อแม้ว่านอนแบบสีหาสยาียญาตคือนอนด้วยการเหลี่ยมเท้านอนตะแข็งขวาบอกว่าถ้านอนแล้วรู้สึกอิ่มก็ลุกขึ้นเลยนะอย่าไปนอนต่อว่างั้นท่านก็ไปนอนนอนตะแ็ง จำได้ใช่ไหมนั่นแข่งขวาวัวังไลนอนไปสักพักง่วงง่วงไปไงหน้าสับดินโปะเลยทีนี้โอ้โหพระองตื่นขึ้นมาสาโตรีเลยเอาเวกเลยตื่นอย่างแรงก็ปรากฏว่าบรรลุธรรมในขณะตื่นในขณะง่วง ง, วงนอนก็เป็นที่ล่ำลือกันต่อมาว่าพระสาริบุตรง่วงจัดๆทำไมง่วงมาหาโหดขนาดนั้นพระพุทธเจ้าแก้ได้ถึงสิบอย่างอุบายเนะี่ย โมคขาลานะก็มาตื่นโดยตนที่ว่าไอ้หน้าสับดินนั่นแหละไม่รู้แต่งไม่แต่ก็ไม่รู้ก็ปรากฏว่าพระทั้งหลายก็คือพระพุทธเจ้าอาจจะประเทศให้ฟังนะพระทั้งหลายก็ไม่จท จ, จันทร์ว่าเอ๊ะทำไมง่วงขนาดนั้นยังมรรู้ทําได้อยู่เราไม่ถึงขนาดนั้นนท่านบอกว่าสาเหตุที่สารีเออพระโมคขาลานะงางง่วงเพราะในชาติก่อนๆท่านเคยบําเพ็ญตนเป็นมหาลือีมาถึงหลายชาติ เพราะนั่นนิสัยเก่าที่เป็นบําเพ็ญสมาธิมันเป็นมิจฉาสมาธิแล้วมิจฉาสมาธินี่มันไปทับจิตจิตมันไม่สามารถจะตื่นได้ไงนั่งทีไรก็ง่วงพ่อ ใ, ใหญ่รถเคยเกิดเป็นลุยีมาหรือเปล่าเห็นทีไรง่วงทีนั่นเลย <c oughs> นั่งง่วงนั่งหลับตาง่วงลูกเดียวมันไม่ได้เนะี่ยเคยเป็นฤุยีมาก่อนมันก็เลยสมาธิมันทับจิตไงขาได้จิตแล้วก็เอาเวกขึ้นมาอย่างแรงปรากฏว่าด้วยการตื่นอย่างแรง กำลังของมิจฉาสมาธิได้สั่งสมมชาติปังก่อนมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสมาสมาธิแต่ว่าเป็นสมาธิเยอะมากท่านฤาษกลายเป็นคนมีฤทธิ์มากเป็นพลังของสมาธิเก่าแก่สะสมมายเยอะพระโมคคละมีฤทธิ์มากเพราะคนสมาธิเยอะมีฤทธิ์มากสามารถที่จะทํำนู่นทํานี้ได้ก็ก็เป็นอัครส า, าวกฝ่ายซ้ายและพระสาริบุตรเป็นผู้เลิ่ในทางปัญญาเป็นอัครส า, าวกฝ่ายขวา กล่าวถึงภาษาลิบุตรที่ว่าทำไมจึงเลือดด้วยด้วยปัญญาอันนี้เจ็ดวันนะถึงบรรลุธรรมแค่เจ็วันนะเสร็จแล้วภาษาลิบุตรเจ็ดวันไม่ไม่ได้เรื่องเลยสุนทนาองพุทธเจามาเจ็ดวั น, นไม่ได้เรื่องเลยนะก็มาถึงวันที่14ปรากฏว่าลุงของท่านทีขานขาคานตามปกติลุงกะลานนคืออุปติสสะเนี่ยได้สนทนาธรรมกันเป็นประจำทีนี้ปรากฏโดยหลานคนนี้หายจากบ้านไป10กว่าวันแล้วไม่ได้เจอกันหลายวันลุง ที่คณะนักข่นี่ก็เลยตามหาไงตามหาว่าหลานหายไปไหนตั้งหลายวันตามไปตามมามีคนบอกวนุ่นไปบวชอยู่กับสมณะสักยบุตรก็เลยตามไปไปเจอตอนนั้นนั่นเป็นหน้าร้อนเนาะมีเป็นหน้าเมษาพฤสภาแถวนี้แนหะก็ปรากฏว่าหน้าร้อนก็ไปทักท่าทั ก, ทกเข้าไปหาพระพุทธเจ้าทักถามว่าเป็นยังไงเป็นไปนยงไงก็ถามกันสูงเรื่งว่า ทำไมหลานผมมาบวชกับท่านได้อะตามบตุตรีหลานผมคนนี้ไม่เชื่อใครง่ายนะได้สนทนาธรรมทุกวันเหมือนกันนะรู้นิสัยกันดีอ้าวท่านสอนว่าไงท่านสอนเขาว่าไงได้ข่าวว่าท่านก็เป็นหมอธรรมคนหนึ่งใช่ไหมเราพิญเจ้าระทิก้กคนหนึ่งท่านก็รู้หมดในะแขวงเขตนั้นนะใช่แล้วท่านสอนว่าไงถึงปล่อยให้หลานนี้มาบวชได้เหมือนกันนะก็คุยกันแบบนี้เ่งนะ ผมก็สอนว่าอันไหนถูกใจอันนั้นถูกต้องอันไหนถูกต้องอันนั้นถูกใจอันไหนไม่ถูกใจอันนั้นไม่ถูกต้องผมก็สอนอย่างนี้ประเจ้าเหมือนกันพูะพุทเจ้าก็ถามว่าอย่งนั้นมันถูกก็สอนเดินั้นเอ้ามันก็ถูกเนี่ผมคนทุกคนนะถ้าอันไหนไม่ถูกใจมันไปเอาจะเขาไม่ทำมัไม่ถูกต้องถ้าไปขัดใจเอาถ้าสมมุติว่าท่านเนี่ยไปสร้างศัตรูคู่เวรมาศัตรูคู่เวรถ้าเขาได้ฆ่าท่านเนี่ยเขาจะดีใจมากไอ้ความดีใจของเขาถูกต้องไหม สักเจอคำถามานี้เขา้าหรือท่านมีศัตรูอยู่ถ้าจะไปฆ่าเขาท่านรู้สึกฆ่าเขาได้ท่านพอใจแล้วการกระทำของท่านถูกต้องไหมฉักงงแล้วทีเนี้ไปไม่เป็นเลยในที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนั้นมันเป็นความรู้สึกพอใจไม่พอใจมันเป็นเพียงเวทนามันไม่ใช่ตัวสัจธรรมสูงสุดมันเป็นเพียงเวทนา ส่วนจะจะทำสูงสุดก็คือท่านก็มาพูดถึงเวทนาทั้งเานี่ไงเอามาแจ้งที่เราสวดเนี่ยเวทนาทั้ง9ว่าความสบายอ่าตัวเราเนี่ยมีความรู้สึก3อย่างคือความสบายและความไม่สบายและความเป็นกลางนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกทั้ง3อย่างมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกค น, กคนมีหมดนะแต่ว่าความสบายความไม่สบายความเป็นกลางเนี่ย ถ้าหากว่าเราไม่ไปเห็นอาการของความไม่สบายเป็นอย่างไรอาการของความสบายเป็นอย่างไรเกิดจากอะไรและความเป็นกลางๆเฉยๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ไปเห็นความรู้สึกนี้อีกชั้นหนึ่งความรู้สึกนี้เป็นเพียงสัญชตาตญาณสัตว์ทุกสัตว์มีเหมือนกันหมด ท่านสิ่งที่ท่านเชื่อมันก็เป็นสันชัดญาณเชื่อด้วยความพอใจไม่พอใจเป็นสันชัิญาณไม่ใช่สัจธรรมสูงสุดไม่ใช่ปรมัตถธรรมเหมนกันท่านจะต้องไปไกลกว่านั้นท่านจะต้องไปถึงปรมัตถธรรมเอาไปถึงอย่างไรอ่ะท่านบอกเวทนาถ้าธรรมดาเนี่ยความรู้สึกพอใจไม่พอใจธรรมดาแต่ความรู้สึกพอใจไม่พอใจบางอย่างมันมีอา m i t สามิสังเวทนางเวทียมานูเมื่อเวทนานี่มีอามิ t h ก็ให้รู้เวทนามีอามิ t h อะไรคืออมิตรของเวทนาตาเห็นรูปเกิดความพอใจไม่พอใจรูปเป็นอามิตรหูได้ฟังเสียงเกิดความพอใจไม่พอใจเสียงเป็นอามิตรรูปเสียงกินรสสัมผัสอารมณ์เป็นอามิตรของเวทนาก็มีนะบางครั้งเนี่ย เราตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นดิ้นิมลดกายสัมผัสจิตในเรื่องการสัมผัสแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจแต่บางครั้งมีไหมที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นดิ้นริม ล, ลดกายสัมผัสจิตมันคิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นสัมผัสแต่มันกระทบกันเองภายในเนี่ยโดยไม่อาศัยนมามิตภายนอกมีไหม บางครั้งเรารู้สึกคลื่นใจพอใจโดยที่ไม่มีการกระทบต่างๆของจมูกลิ้นกายเลยใช่ไหมมีไหมเรือกอารมณ์ดีพอใจอันนี้คือนิรามิตรนิรามิสร่างเวทนาเวทียมมนุเมื่อเสวยเวทนาอันไม่มีอามิตรคือไม่มีการกระทบผัสสะภายนอกทั้ง5้าเนี่ยระบบอายตนะทั้งห้าไม่มีการกระทบไม่มีตัวตัวผัสสะทั้งนอกเลยแต่มันเกิดกระทบภายในมันไม่มีนิมิตภายนอกไม่มีอามิตรภายนอกมันก็มีความพอใจ ได้ไม่พอใจได้บางบางครั้งเรานึกไม่ไม่สบายใจขึ้นมาโดยที่ตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ได้สัมผัสอะไรนะให้เกิดความไม่พอใจไม่มีใช่ไหมแต่มันเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาเฉยๆความรู้สึกไม่พอใจที่ไม่มีอา m ตต h ก็มีความรู้สึกไม่พอใจทีม่มีอา m i ต h ก็มีความรู้สึกเฉยๆที่มีอา m i ต h ไม่มีอา m i ต h ก็มีเป็น9าประการพอได้คุยกันนี้ปรากฏว่า คนข้างหน้าได้ดวงตาเห็นธรรมบอกว่าสิ่งที่ท่านเชื่อว่าสิ่งไหนถูกใจถิงนั้นถูกต้องถ้าสิ่งไหนจะถูกต้องมันถูกใจคนด้วยใช้ไม่ได้มันเป็นสัญชตาตญาณมันไม่ใช่ปัญญาญาณเพราะนั้นท่านเปลี่ยนภาษาลิบุทึงฟังอยู่ข้างหลังบรรลุธรรมเป็นพระหรันอเวกเต็มที่เลยธรรมเทศนากันเดียวแต่ว่า คนฟังบรรลุไม่เหมือนกันคนละขัน้นแล้วแต่พื้นฐานของปัญญาของแต่ละคนดังนั้นปัจจุบันเนี่ยคนเราก็ยังทําตามลัทธิของทีฆานาคาอยู่ใช่ไห ม, ย, มยุ่มเตี้ยใช่ไหมบางครั้งถูกใจเ น, นี่นี่มันถูกใจฉันนะเอะอท่นจะเอาจะว่างไงแต่มันผิดใจมันผิดใจคนอื่นเราก็ยังถือลัทธิทีฆานาคาอยู่ถ้าอันไหนมันขัดใจแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วที่ท่านพูดไม่ใช่แร้ว พ่อฉันรู้สึกไม่มีถูกใจนีแต่คนจริงมันถูกแต่ว่ามันไม่ขัดไปขัดใจเราเพราะมันขัดความรู้สึกของเราขัดความรู้สึกในระดับสัญชาตญาณไม่ใช่ปัญญาญาณแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้มีปัญญาญาณเกิดความรู้สึกไม่พอใจก็รู้ว่าฉันไม่พอใจแล้วนะแต่จะไม่ไปนึกว่าไอ้คนนั้นมันพูดไม่พอใจฉันเราไปนึกไม่ไปนึกถึงนิมิตที่มากระทบแต่นึกถึงความไม่พอใจที่กําลังเกิดแล้วไปเห็นความไม่พอใจของเราเองลักษณะนี้ปัญญาญาณเกิดขึ้น หรือเราฟังคนนั้นพูดเราหน่าประทับใจน่าพอใจแล้วเราไม่ได้นึกว่าไอ้คนนี้มันพูดหน้าพอใจฉันชอบฉันศรัทธาแต่มันนึกถึงอาการของความพอใจกําลังเกิดในตนเองการที่ไปเห็นความพอใจไม่พอใจตรงนั้นเรียกว่าเห็นสภาวธรรมที่เป็นปรามัติแต่อาการที่เราส่งจิตไป ร, รู้คนที่ทําให้เราเกิดความพอใจไม่พอใจภายนอกตรงนั้นเป็นสัญญาณเพราะจิตส่งออกไม่ได้เป็นปรามัตถธรรมอ๋อ เพาราาลิมเข้าใจตรงนี้พ้วเลยเพราะจับประเด็นได้ตรงนี้แตกฉานไปหมดเลยที่นี่จับประเด็นไปได้หมดเลยนี่ถึงว่าท่านแตกฉานด้วยปัญญาขาเพราฝั่งตรงนี้ดังนั้นเรื่องนี้จึงอยากจะให้เอาใจใส่ในการศึกษาในการเรียนรู้นะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลาเพราะอะเพราะเวลาเรามีตลอดเวลาใช่ไหมเวลาทางกายมีแต่เพราะฉะนั้นการที่เราสร้าง สติสัมปชัญญะขึ้นเนี่ยเพื่อที่ไปทันเวทนาทางกายให้ได้ก่อนเวทนาทางกายหยาบๆถ้าเราไม่ทันเวทนาทางจิตไปนไงยากที่จะยากที่จะทันเพราะฉะนั้นตามเวทนาถ้าเวทนานี้เรายังแช่อยู่เลยอ่ะเวลามันสบายสงบเราก็แช่กับมันอยู่ยนั้นเวลาไม่สบายเราก็ปฏิฆะหงุดหงิดเราอย่างนี้เราก็ไปแช่อยู่ในเวทนาคนก็ไปติดฝั่งเวทนาอยู่สองฝั่งเวทนาที่เป็นสุขเรียกว่านันทิในสุขเวทนา เวทนาที่เป็นทุกข์เราก็ไปแช่ในทุกขเวทนาก็ไปแช่เป็นพวกฤๅษีเป็นอัตัดเริมฐ า, านุยกพวกที่เป็นเพลินในเวทนาที่เป็นสุขก็เป็นพวกปุถุชนทั้งหลายก็ไปเพลินในความสุขความสงบอันนั้นก็ละไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านให้ละทางสุดตรงสองทางใช่หมหนึ่งแช่ในสุขเวทนาสองแช่ในทุกขเวทนาให้มาหาทางสายกลางท้าใจนะเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี้เราพูดถึงเรื่องเวทนาทั้นี้ เพื่อที่เราจะไปเป็นบุริษีอ๋ออีกสงสัยอ่ะ ค, ค, อคืออย่างอาจารย์ที่บายถึงเขาเวทนามันมีทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วระหว่างช่วงกางเปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์มันอันนั้นก็คือทางสังการใช่ไหมคือมันเป็นเฉยๆตรงกางแล้วมันก็เปลี่ยนมาจากสุขเราก็สักพักนก็มาเปลี่ยนมาเป็นทุกข์คือความปวดเมื่อยไอ้ระหว่างเปลี่ยนเนี้ยมันคือความเริ่มเป็นธรรมดาแต่มันก็ต้งอยูได้ไม่นาันก็กลายเป็นทุกข์ จากทุกพอเรารู้ตัวมันก็ค่อยๆคายเปลี่ยมนมาเป็นสุขก็จะกลับสลับไปสลับมานี้ตลอดใช่ไหมเราก็ต้องมีการปรับสมดุลตลอดเลยนั่นนะตรงนั้นสติสัมญะจึงจําเป็นคือปรับสมดุล น, นั่นเองปรับสมดุลระหว่างสุขให้ให้ที่เราพูดว่าเมื่อวานให้พอทนได้เท่านั้นเองนะไม่ให้ไปเพลินในสุขไม่ไปเพลิ น, น ส, สุขก็ให้ทนได้เท่านั้นพ อ, อทกุก็พอคําว่าทนได้แค่ไหนคือไม่ล่วงล้าสุขก็ให้สุขอยู่แท่กายน ทุกข์ก็ใยุบ แ, แต่กายถ้ามันล่วงล้ำไปสู่เขตของน้ำอันนั้นมันเกิดแล้วซึ่งยากมากเลยใช่ส่วนใหญ่เราก็รู้สึกทางกายก็ทะลุจิตรู้สึกงที่ก็ทะลุกายเพราะฉะนั้นการทำตัวสติสัมัญจึงเป็นต้องทำให้มากให้ชำนาญเคยผมมาหลายครั้งเหมือนกับคนที่สแสดงกายกรรมใช่หมหยิมนา้สติก็ดี <c oughs> เขาเรียกว่ากายกรรม็ดีใช่ต้องอาศัยการบาลาน ตัวอย่างสําคัญมากถ้าพลาดนี่เดียวหมายถึงว่าเขาต้องตกมาถึงขั้นพิการได้อะใช่ไหมจิตของเราเหมือนกันถ้าหากว่าเราจิตของเราพิกลพิการอยู่ทุกวันเพราะอะไรเพราะเราพลาดไปทางดีใจบ้างเสียใจบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างติดสุขบ้างติดทุกข์บ้า ง, ต, างติดสบายบ้างติดไม่สบายตลอดเวลาจิตของเราก็เลยวิกลวิการอยู่ตรงนั้นพอจิตเราฝึกสติสัมปชัญญะขั้นสูงจนสามารถดำรงจิตให้บาลานซ์ได้ตลอดเวลาจนชํานาญ คือทําให้ชํานาญคําว่าชํานาญเท่ากับวิญญาณให้เกิดญาณญาณหมายเขาว่าปัจจุบันนี้เขามาประยุกตเป็นระบบอะไรออโต้ใช่ไหมอ่าเวลาออโต้เส็จสมมติได้สูบน้ําขึ้นในระดับหนึ่งมันตัดข้งมันเองเวลาลถได้แต่มันก็ทํางานของมันเองระดับที่ญาณปัญญาที่ทําหน้าที่ของมันเองเราเรียกว่าวิปัสนาญาณเนี่ยเรียกว่าเป็นปรมัตา์คือมันมันเกิดทําหน้าที่สุขทุกมากระทบมันทําหน้าที่ตัดของมันเองนี้เรียกว่า เป็นตัวประมัดแต่ถ้าหากว่าเรายังคอยเข้าไปปรับอยู่เขาเรียกเป็นเมนูใช่ค่ะยังขอถามอีกคือปรัชญาทางการเข้าใจเนี่ยคือความพอใจไม่พอใจเน่มันเกิดจากการพนาทางกายก็ได้ที่ว่าถ้าเราไม่ตามรู้มันเนี่ยมันก็จะเข้ามาถึงความรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบมันจะมาเป็นนามธรรมใช่อีกแบบหนึ่ง กับอมิทที่อาจารย์ว่าคือกระทบจากอาญาะเข้ามากระทบหังใจเราก็ทําให้เกิดความพอใจไม่พอใจดังลูปดังใช่ไหมคะ<อ>คือเกิดจากกายก็เป็นถ้าเกิดเราตามรู้ไม่เท่าทำก็จะเป็นความพอใจไม่พอใจใช่เกิดจากอามิตรที่เข้ามาถ้าเราตามไม่ทำก็จะเป็นความพอใจไม่พอใจอใช่ก็ที่ว่ามีอมิทไม่มีอมิตรอย่างยอาศัยรูปเสียงคิดรู้สัมผัสก็มีไม่อาศัยก็มีที่เรานิรามิสังอมิสังเมื่อกี้นะ นั่นเกิดจากนั้นแต่ทีนี้การที่จะไปรู้เท่าทันตรงนั้นถ้ามันยังไม่เป็นปรามัดเนี่ยเราต้องคอยปรับเลยยังไงก็ไม่ทันดอกก็อยู่ในขอบเขตของสมถะภาวนาอยู่แต่พอเป็นวิปัสนาภาวนามันเกิดจนกระทั่งมันเป็นญาณปัญญาเกิดเป็นปรามัติมันตัดของมันเองในระดับเขาเรียกปรามัตินี่นะมันจัดการของมันเมื่อ้นเราก็ไปประคองตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ดิมันจะต้องเป็นอัตโนมัติเขาเรียกเป็นเองอันใช้คำว่าเป็นเอง ที่คุณปิงว่าเมื่อวานนะมันเกิดรู้ตัวขึ้นมาเองมันเป็นเองบางครั้งมันมีนะแต่ว่ามันยังไม่ชํานาญเท่าไรเองต้องฝึกให้มันรู้เองโดยชํานาญเมื่อชํานาญแล้วทีนี้มันก็เขาเรียกบรรลุถึงในจุดความเป็นชํานาญหรือญาณปัญญาตรงนั้นทำหน้าที่ของมันเองแล้วมันก็จะง่ายนะเพราะฉะนั้นตัวที่รู้ประธรรมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นนามธรรมได้สองแบบ1เปลี่ยนเป็นนามธรรมในขณะที่เป็นนามล้วนๆสเป็นนามธรรมในฐานะเป็นนามวารุ ถ้าเปลี่ยนเป็นนามธรรมวล้วนหมายเขาว่าเวทนานั้นมาเปลี่ยนเป็นสติปัญญาแต่ถ้าเขว่าเราไม่มีสติปัญญาพอความรู้สึกในรูปนั้นก็เกี่ยวกับเปลี่ยนเป็นนามรูปเปลี่ยนเป็นความพอใจไม่พอใจความพอใจไม่พอใจเป็นนามรูปใช่ไหมแต่การเข้าไปเห็นความพอใจไม่พอใจอีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นนามรวล้วนคือสติสัมปชัญญะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ไปไปดูตัวนี้ส่วนใครจะดูได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ ใช้ความสามารถแต่ไม่ต้องไปจริงจังนะเอาก็ทำแบบตามความสามารถของเราเดี๋ยวมันเยอะไปเอาเท่าที่เราทำได้เท่าไหร่เท่านั้นแล้วตอนเย็นมาวิจัยร่วมกันโอเคก็ขออนุโมทนาสาธุใะความตั้งใจเฮียร์ได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งที่สำคัญเพื่อที่เราจะได้ไปเห็นสภาวะจัจธรรมในตัวเราให้ชัดเนจนแจ่มแจ้งด้วยกันทุกคนทุกทันที